แสดงธรรมะก็เป็นเพื่อก็เป็นธรรมบัญญัการเป็นธรรมบพติสถานเนในโอกาสที่ได้รวมกันีจิตเป็นผู้สนจิตเป็นผู้สนจิตเป็นมงคลจิตเป็นบุญนั่นแหละ เป็นมุลิดเป็นผุสนกิจเป็นมงคลราการที่จะร่วมกันเสียสละสตุปัจจัยทายทานเพื่อรวมกันเป็นทรศพที่จะก่อสร้างเสนาสนะหรือก่อสร้างศาสนาวตัตถุ วัตถุในพิทธศาสนาก็มีจุดีวิหารสาราโรงร้านต่างๆมีคำเยอยกว่าเสนาสนะเสนาสนาทานการให้ทานเสนาสนะแต่นีเเน่เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนเอา เสนาสนะแล้วก็มาเสียสะจะสตุปปัจจัยหรือที่เรียกว่าสตียักขันสิ่งเป็นได้จาเงินทองมันเป็นสิ่งที่สมมุติเพือ่อแลกเปลี่ยนเอาแรงงานหรือแลกเปลี่ยนเอาวัตถุ ม, มารวมกันก่อสร้างเป็นศาสนวัตถุเป็ น, สสนเนสนาสน า, าน การที่จะสร้างหอประชุมหรือสาลารับรองของวัดป่าวังเลินพวกเราเพืาอจะจิงได้ามนะรวมกันตั้งต้นภรป่าต้นเหตุปัจจัยนี่เป็นส่วนที่จะบริจาควัตถุ วัตถุทานภายนอกแล้วเราเอาวัตถุภายในมาตั้งแล้วเราก็มาตั้งกายตั้งใจของเรานำตนออกมาสื่อสารการเรียนวัดตถาวงเลิศนำกายนำใจเมื่อตายมาใจก็มาด้วยกันเพราะใจกับกายเมื่อตายมา ใจก็มาด้วยเมื่อใจมากายก็มาด้วยนี่ว่าเอากายเอาใจมาคือตั้งใจมาเสียก่อนก็ตั้งใจมาเสียสละในการอยูบ้านอู่เรียนเสียสละมาที่วัดมาทีศาลาการตะเรียนแห่งนี้เรียกว่าจาพักความเสียสละในจิตใจ ใจเสียสละในการอยู่บ้านสบายๆมาที่วัดเมื่อกายมาใจก็มาด้วยกันนี่คือว่าเมื่อใจมากายก็มาตายมาใจก็มาสองอย่างมาด้วยกันเพราะตายเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาเหตุสองอย่างนี้แหละเป็นเหตุเป็นผลเป็นต้น เป็นทุนเป็นกำไรแห่งบุญกุศลอยู่ด้วยกันเมื่อมาแลกก็มาลองรับอบุ ญ, บ, ญบุญคือความดีบุญคือความสุขสุขกายสุขใจากายาใจมาลองรับ ลองรับเอาบุญจากการเสียสาวัตถุเงินทองเพื่อจะรวมเป็นจนพระปากจองพระปากแล้วก็มาลองรับเอาบุญคือความสำรวมกายสำรวมราชาสำรวมใจก็เรียกว่าศีลสมาทานศีลแล้วก็ลองรับเอา ความสำรวมมีสติมีสติมีความตั้ใจสำรวมจงใจมดเว้นจากโทษอัตตการไม่ฆ่าไม่รักไม่กระพุ้ดผิดนิชาจานไม่โกหกมัดเท็จหล อ, ลอบรวงัมพางไม่ดื่มกินเครื่องรองของเมา สำรวมจงใจงดเว่นจงใจสละให้ทานให้ทานสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะเป็นโทษห้าอย่างเสืสเอสลัออกไปเคยทําแล้วก็ไม่ทำเคยกินแล้วไม่กินเคยพูดรบรวนแล้มไม่พูดนี่เรียว่าเสียสลัดแล้วให้ทานให้ทานโทษที่จะเกิดขึ้นไม่นำเข้ามา นั่นนำเข้ามาให้เกิดให้มีขึ้นที่ตายที่วาจารที่ใจของเรานี่เรียกว่านำเอาธรรมะนำเอาความเป็นธรรมเข้ามาสู่ตายสู่วาจาสู่ใจเมื่อไม่มีโทษมีความสารวมงดเว้นโทษก็ไม่เกิดเมื่อโทษไม่เกิดเมื่อมีความสารวม สกัดกั้นโทษแล้วก็ตักตัวเอาสิ่งที่ดีให้เกิดเรียกว่าบุญสกัดกั้นให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็สร้างบุญให้เกิดขึ้นบุญคือคามสงบตายสงบใจบุญคือความเอืออ่น ทติธรรมเกิดขึ้นที่ใจบุญเกิดขึ้นด้วยการระลึกพุทโธทพุทธานิสติที่นีเจตานาะหมดเว้นสิ่งที่เป็นโทษแล้วจงใจจงใจตั้งใจระลึกพุทโธหายใจเข้าพุทธาหายใจออก เรียกว่าให้สติะระลึกรในคุณของพระพุทธเจ้าคําว่าพุทโธเป็นพระพนนคุณนามเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้จึงเบิกบานพุทโธ ร, รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทหายใจเข้ารู้โธหายใจออกรู้ ให้พุทธะโธกองปืนสํารวมหายใจเข้าหายใจออกมีวิธีสร้างบุญเมื่อสกัดบาก่ให้เกิดทังวาจาทางกายแยกก่อสร้างบุญเพื่อเป็นการลบล้างบาปคืออคติส่วนจุคคลทีจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราอัติส่วนจุคก็คือความคิดที่ไม่ดี ความคิดอิจช้าพยาบาทอิจช้าตาร้อนอความคิดอาฆาตมาดร้ายคิบติด ท, ทำลายนี่เป็นเป็นความนึกคิดที่เป็นอุปสงคจิตสร้างอุศสงคจิตคือความดีความคิดที่ดีมานึ่ใน คุณของพระพุทเจ้าีเรียว่าทุทานมตติสติอิุทหายใจเข้ารูโทหายใจออกุทหายใจเข้ารูปโทหายใจออกรูป ใ, ใ, ในเรียกว่าสติกำหนดรู้ลมปารคือลมหายใจนี่นะท่านหนาปลาเจริญปัญา อาสาบรีแห่ง อ, อารมณ์บาลหายใจเข้าหายใจออกนี่ง่ายๆสร้างบุญที่มีอยู่นี่แหละที่มีอุปรกรณ์ในการสร้างคือกายกับใจของเราอาศัยแต่ น, นี้แล้วต่สร้างสติความละลึก์ให้เกิดขึ้นเท่า น, นั้นถ้าเราไม่สร้างอย่างนี้ ตอนระลึกลงก็เกิดเวละลึกลเรื่องอย่างอื่นเพ mm. ราะมันเป็นธรรมชาติระลืกลอยู่แล้วคือสติมันเป็นธรรมชาติที่มีที่เกิดขึ้น mm. อยู่โดยธรรมชาติ mm. แต่ว่ามันไปเป็นสติอย่างอื่น mm. เป็นสติของมาร mm. เป็นสติของเปรตของผีของสิ่งที่ม่ดีไม่ดีเง้นนี้ ดำค่อมสติและลึบอยู่กับความโลคโกรธมความอยากที่ไม่มีปัญญารอบรูเปเพราะฉะนั้นทุนทวนกระแสความละลึบทนทวนจากความละลึบของเปตของถีของมา มากระลึกในพุทธโธธรรมโมสังโฆมาเป็นสติธของนักปราดเป็นดิเสร็จจึงว่ากระลึกรู้พุทธหายใจเข้าโธหายใจออกนำกลับกับลมหายใจอันนี้เป็นปฏิปทาเครื่องดำเนิน ที like ่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงปฏิบัติมามก่อนพวกเราเป็นโมลเป็นมรดกเป็นมรดกธรรมมรดกกรรมฐานธรรมะคือการงานฐานะคือที่ตั้งเอาการงานที่พระพุทธเจ้า ท่านเคยทำและท่านสอนมาตั้งรงที่กายที่ใจของเรามีกายมีใจเป็นที่ตั้งแห่าการทำงานมีจิงต้องมีรละลึกพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าข้าวเมื่อเสด็จตามพระบิดาไปแลหน้าวัน พวกสาวชายสนทั้งหลายปล่อยให้พระองค์อยู่ลำพังได้ร่รมหาว่าชมพูเนี่ยเป็นโอกาสที่เมียบสมบสงัดไม่มีใครพุกพ้างแน่นพระองค์จึงได้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าไปสติรู้หายใจออกมาสติรู้ หายใจเข้าปลรูหายใจออกปลรูแต่ไม่ได้ตามไม่ได้ส่งความรู้นั่นตามออกไปภายนอกเพียงแต่ลมหายใจผ่านปลายจมูกสัมผัสกับดั้งจมูกกัขบขอบจมูกของเราเข้าไปปลรูหายใจออกปลรู สิธทธะตรมางปฏิบัติอย่างนี้แต่ก่อนท่านยังไม่ได้นึกุทธโธเพราะท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านกำเนิรู้หายใจเข้ารู้ยาวยาวผู้รู้ยาวยาวหายใจออกโธรู้ยาย า, ยาวนี่เป็นการเป็นการ ซ่อมปอดของเราด้วยเป็นการซ่อมปอดที่ทํามาเป็นการฝึกปอดให้สูบซีนเต็มที่เป็นการออกกําลังของปอดด้วยการหายใจเข้าพูรูเข้ายาวโธู่้เยาพูเข้ายาวโธ ทีแรกมันจะติดอัดแต่เรากําหนดพยายามทำในมีความเพียนความเพียงคือความพยายามพยายามกำหนดรูปสักสองข้งสามข้งถูงถึงสิบข้างยี่สิบข้างมันจะโร่จิตคือความรู้สติคือความระลึกรู้ มจะ ก, กลมคกือนกันอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกเมื่อแน่แน่มั่นคงท่านเรียก ว, ว่าทำให้เกิดชานานะคือการเพ้นการเพ่งหายใจเข้าหายใจออกยาวๆจดจอ่อแน่แน่ไม่ขาดรับขาดต่อก็เป็นพลังเป็นพลังงาน นี่เป็นเป็นอุบายเป็นอุบายหรือว่าเป็นวิธีธรรมที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ทำมาก่อนจึงเรียกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้ฝึกอนาปานาสติให้เจริญฌานคือการเข้งแน่วแนให้เกิดขึ้นเมื่อแน่วแน่ ของเราก็ไม่สายแสไม่ส่แสบไม่ฟุ้งซ่านไปตามสัญญารวมอย่างเียวอย่าว่จิตสงบสงบจากความฟุ้งซ่านจากความฟุ้งกลุมไปตามสัญญารมภายนอกมารู้อยู่กับงานที่ให้ทำคืองานดูรรมหายใจเข้าหายใจออก ที่เรียก ว, ว่าอนาปานาสติสติระลึกรู้กับลมเข้าลมออกอันนี้เป็นปฏิปทาเป็นมรรคเป็นพน้นทางที่จะนำเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิหรือเกิดฌานกันเพ่งต่อเนื่องกัน ถ้ามีความเพียรยึดเอาหลักนี้ปฏิบัติกำหนดนี่เราก็จะได้สมาธิธรรมคือความมั่นคงของใจว ต, ตั้งมั่นแห่งความรู้ตั้งมั่นแห่งความระลิศรู้นี่้นื้อว่าสติละลิศรู้เป็นผู้ของใจเป็นผู้ของความรู้ ที่มีอยู่ถ้าสติเผลอมีสติกำกับความรู้นี่หลนไหลไปหรือ ว, ว่าเอียงไปหรือว่าน้อมไปหรือว่าส่งไปส่งไปตามสัญญาอารมณ์ก็วิ่งลอบอยู่ในขอบเขตจัตวาลไม่รู้ตัวตายเป็นกายเป็นลีนตัวกายเป็นประมาท เพราะความลู้ไปตามลู้ตามสังขารตามสัญญาสัญญาที่ไปจำเรื่องน้เรื่องนี่อดีตอนาคตสัญญาจาสังขารก็ไปปรุงปรุงดีปรุงชั่วปรุงเรื่องดีเรื่องร้าย aster, ปรุงเรื่องพอใจไม่พอใจสังขารปรุงไปตามตันหา ปัญหาคือความอยากเมื่อสัญญาโดยจำเรื่องโน่นเรื่องนี้ลสังขารปุงสังขารปุงก็อยากความอยากความวามถนาปุงยากได้ยากีปุงยากที่าเดนยากดังอยากมีราบยศฉัด้วยเสริสุขอยางมีเกียให้ยศ อะไรต่างๆเป็นประจสัญญาที่ไปไปจําไปจําได้หมายรู้แล้วก็ทั้งขานก็ปรุงทุ้งแรกยายาให้เป็นประจําความปรุงความแตกก็เลยเป็นการส่งสัญญาอารมณ์ออกไปนอกภายนอกคของรู รู้ไปตามเลยไม่รู้ตัวในต้นตอ่อของความรู้คือใจรู้ไปตามวาการท่งออกไปตามวาการภ า, า, ายนอกเมื่อมีความจงใจแ้่นอยู่ะระลึกอยู่ให้ความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เดียวมาลู่ที่ต้นตอ่อ ความรู้เมื่อต่อเนื่องกันมันจะมีความแน่วแน่ความรู้หนักแน่นแน่วแน่ดูดึหร่วงแน่นหนามั่นคงท่านพูงว่าสมาธิเราจะได้สมาธิธรรมที่แลกได้ทาน ทานธรรมเสียสละตั้งใจเสียสละสะกัดกัน้นความนึกความคิดที่จะไปตามความอยากต่างๆ ม, มีความสำรวมรูรอบรู้ในกายวาจาใจเป็นการเสียสละเป็นทานและก็มาอป็นศีลเป็นศีลคือความสำรวมไม่ใช่เป็นศีลในการสมาทาน อย่างที่เราว่าตามพระไปเดื้องต้นเราก็สมาทานอย่างนั้นเมื่อสมาทานแล้วเราก็มาสำรวมเฉพาะกายวาจาใจนี่เป็นศสียงสำรวมมันมีความสารวมอยู่ก็เป็นสียงเป็นความเย็นของใจเป็นความหนักแน่นของใจสารวมแล้วก็ รู้กับลมเข้าลมออกต่อเนื่องกันไม่ขาดวัฏขาดตอนเพราะกลายเป็นฌานการเพ่งต่อเนื่องกันก็เป็นพลังเป็นพลังแห่งสมาธิความมั่นคงแน่ๆ น, นี่เรียกว่าเราได้สีได้สมาธิก็เป็นสมถะธรรมคือการ อบรมใจให้มีความสมบรวมอยู่กับอารมณ์อันเดียวเรียก ว, ว่าเอเจคตาอารมณ์ความรู้รู้อยู่ในอารมณ์ของลมงหายใจเข้าหายใจออกนี่ท่านเดียวว่าเรามีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเอเจคตาอารมณ์ เมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปด้วยความเพียนไม่ทอดทุระไม่ทอดทุระมันต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนแน่แน่เรับการที่จะมีอารมณ์คือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ละเอียดเข้าไปผ่านเข้าไปจนลืเอใจ จิใจคือผู้รู้วันเดียวท่านมีความรู้เป็นหนึ่งเวลาเข้าถึงเอเกรคตากิตที่ท่านพูดเป็นคู่กันเอเกรคตาจิตเอเกรคตาารมณ์ที่แรกมีอารมณ์เดียวให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ความรู้กับรมเข้าลมออก ละเอียดเข้าไปวางทานการที่รู้กับลมก็ไม่มีเหลือเป็นความรู้อย่างจนว่ารู้อยู่กับรู้รู้อยู่กับรู้ภ า, ายในไม่มีมีกายที่เหมือนไม่มีไม่ได้สัรพยุทธ์จึนว่าวางวางกายวางกายวาลงลมวางกาย นีแต่ความรู้วันเดียวม่มีตัวตนนีแต่ความรู้กับความระลึกรู้ว่ารู้อยู่ละเอียดเข้าไปความระลึกมันก็ไม่มีสติที่ว่าระลึกก็ไม่มีแต่เป็นความรู้เด่นหรืออันเดียวมีเดียวว่าเอเัชตาจิตมีจิตรู้วันเดียว สบายสบายนี่เียกว่าความสุขเกิดจากความสงบของใจสงบจากความนึกคิดปุ่งแกนยางอู่นเข้ามาเป็นความรู้อันเดียวเมื่อเข้ามาเป็นความรู้อันเดียวนี่แหละท่านจึงว่าเป็นหนึ่ง ไม่ ng, มีสองไม่ con, um มีสองกับสัญญารมอะไรไม่มีสองกับลมนึกชิบุงแต่มีเข้าถึงเข้าถึงผู้ร <c ười> ู้เข้าถึงใจเข้าถึง้ารู้คือใจอันเดียวสุขสบายสุขสบาย วางมันวางขันห้าเลยวางยุวางเวทนาสัญญาสัญชาตวิญญาณแทมบินไม่มีรับรู้รับศาส ต, ตร์ตาหูจมูกทีนอะไรไม่มีนี่เรียก ว, ว่าจิตรวมเข้าสู่สมาธิคือความสมบเป็นรวมเข้าสู่ เอกข้ตาจิตมีจิตอนันเดียลมีความรู้อันเดียกแน่วแน่ที่เป็นพลังแท้จริงนนว่าอบรมอบรมอินทรีอบรมอินทรียศักดิ์ทินรทร์ศรัทธาคือความเชื่อมัน่น มันจะเชื่ออยู่ในการปฏิบัติของตนเองเชื่อตามทุ่พระเจา้าสอนว่ากำหนดรมหายใจรูรมมันเดียวเชื่อมั่นอยู่ในนั้นเชื่อมั่นเพื่อผลประโยชน์เพื่อจะให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาซึ่งเป็นมักคปฏิปทาที่ละเอียด ยินยิ่ยขึ้นไปสตินีวิญญสมาธิมสติมีสมาธิมีปัน่ยินสี่ห้าได้แ่ศรัทธาความเชื่อมัน่นมั่นคงอยู่ในใจของเราศรัทธาเชื่อมัน่น เมื่อมีสุขใจเชื่อมั่นวิริยะก็ตามกันไปเพียนพยายามเรียนรู้เรียนกำหนดรู้ลมเข้าลมออกจะรวมเข้าไปถึงความตนหนึ่งของใจมีความเพียรมีสติระลึกชอบคือระลึกรูปกับการกําหนดลมรู้ลมเข้าลมออกนั่นเอง สติะระลึกรู้เมื่อสติะระลึกรู้ต่อเนื่องสมาธิของตั้งมัน่นของใจก็มีกำลังส่วนปัญญาก็รู้สภาวะหรือรู้วิถีวิถีของการกระทำวิถีของการปฏิบัติว่าเราทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กำหนดรู้อย่างนี้ วาจิตวิธยาจิตของเราจะมีความแน่วแน่มีความปล่อยวางอย่างนี้จากความอยากจากความวุ่นวายเข้าสู่ความเป็นหนึ่งมีแต่ความรู้อันเดียวเด่นสงบสุขสบายนี่เราก็จะรู้รู้เองเลยปัญญาจะรู้เมื่อปัญญารู้ สัญญาก็รอบรู้รอบรู้ในความสํารวมรอบรู้ในความเท้มอยู่รอบรู้ในความเป็นหนึ่งแห่งความรู้รอบรู้ในสัญญาคือความจําได้หมายรูปสังขารความคิดคงแต่ เวทนาความเสวอว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยน่ปัญญาจะไขควรหรือกันกองตามรู้ในขันท้าตามเป็นจิ่งที่แรกก็จะรู้นิดๆหน่นนนนอยๆเมื่อกำลังแห่งความสมรวมกำลังแห่งเสียงสมาธิ มั่นคงเข้าปัญญาเนี่ยมีพลังรอบรูปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนสุดท้ายก็จะสามารถแยกแยะอาการของสภาวะธรรมอาการของตายของใจออกจากกันรูปเรื่องรูปเรื่องนามตายใจของเราตามความจป็นจริง ีเป็นหน้าที่ของปัญญามเมื่อสีความสมรวมเป็นร่ว ก, กันเป็นร่วกันความชั่วเป็นร่วกันความหยาดของกายวาจาสมาธิ เป็นการรวมกระแสของความรู้ที่มันสายออกไปรอบขอบเขตจักรวาลเข้ามาสู่จุดแห่งความรู้ที่ใจภายในปัญญาแยกแยะแจกแจงวิธีของ กายของใจที่เรียกว่าขันห้าหรือลูปนามลูกคือร่างกายนามก็ได้แจ่ใจหรือสัญญาสังขารปิญญาที่ไม่มีตัวตวนมันจะเข้าใจความจริงของสภาวะ ทำท่านหลายเหล่านี้นี่ความเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งความรู้ตามความเป็นจริงมันรูเข้าใจความจริงจิตใจที่เคยว่าวุาว่นกุนหัวเคยยึดมีอุปาธานยึดมั่นถือมั่นชิดปูงฟุ่งไปตั้ความโลภโกรธหลงต่างๆมันก็เป็นการ คิปุ่มฟุ่งไปตามความรู้ที่มีเพียนสภาวะของเป็นความรู้จริงเหว่งจริ ง, รงตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงถึงแม้จะคิดก็ไม่ทุกข์ไม่เป็นไฟไม่รอ้อนที่มีสังขารสังขารเป็นธรรมสังขารเป็นธรรมสัญญาเป็นธรรม วิญญาณความรับรู้เป็นธรรมก็เลยขันหัดกลับมาเป็นธรรมแต่ก่อนมันเป็นกิเลสมันเป็นเครื่องเล่ารอ้เอเจทนาเกิดขึ้นก็เล่ารอ้อความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยๆเกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุให้หลงลงสุขลงทุกข์หลงเฉยๆเมื่อความหลงมีความตกเพื่อ ของสัญญาสังขารก็เกิดปัญหาอุปทานเห็นผิดเข้าใจผิ ด, ดก็เลยวุ่นวายกลายเป็นไฟกลายเป็นความร้อนในใจในผู้รู้นี่แหละท่านท่านที่ผู้รู้คือใจธรรมชาติรู้คือใจของเรามไม่ร้อนไม่เย็นมันไม่สุดมันไม่พุ่ มันเป็นธรรมชาติรู้เฉยๆมเมื่อจิตของเราลวงสมบเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่ง<ม>คือว่ามันเกิดความรู้วันเดียวเด่นเลยนะ<ม>เราจะรู้เรื่องจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติรู้คือใจในว่ามันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์เพราะมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไร ตอนเมื่อมีสัญญาชั้นฐานเข้าไปกรุงแต่งมันก็จะเป็นความกดเพื่อทีเมื่อปรุงแต่งด้วยความหลงก็จะเป็นไฟเป็นความร้อนร้อนเพราะความไม่พอใจร้อนเพราะความโกรธร้อนเพะความโลภเพราะความหลงอะไรต่างๆไปจึงจะเกิดเป็นกิเลสอาสวะเครื่องเล่าร้อนเกิดขึ้น ในขันห้าเกิดขึ้นเพราะใจเป็นผู้รู้สัมผัสกับขันห้าที่รูปเวทนาสัญญาสังขานยิ่งใหญ่เมื่อปัญญาเข้าไปรู้ความจริงเนี่ยมันจะกันกองแยกแยะสภาวะออกตายของใจเข้าใจตามเป็นจริงนนัจึงจะเกิดความแจ่มแจ้งในขันห้าตามเป็นจริง ที่ีถึงแม่มีขันห้าหอยู่หรือใช้ขันห้าใช้สัญญาสังขารวิญญาณอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไฟแล้วมันเป็นธรรมนี่วิธีของการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือการสร้างบุญบุญเกิดจากทานศี ภาวนาพระพุทธเจ้าสอนทานศีลภาวนาในอนุบุมิกถาห้าคือท่านแสดงธรรมะไปโดยตามลาดับในเบื้องต้นเราแสดงท า, งอ า, ทางนอวตานกถาศรรีลคือความฉมวงนั่นที่กล่ามา เป็นศีลวัตฐาลำดับที่สามแสดงสวรรค์เทวา น, นิสังสกถาความสุขความสุขเกิดแต่ทานแท่ศีลนั่นแหละเป็นสวรรค์แยกก็ทรงสแสดงกามาทินนกคือโทษของ ความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะีมีโทษมา ก, ก็ทําทำให้เกิดความร้อนร้อนเพราะหลงลักไขยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐะท่านจิงท่านจึงบอกว่ามันเป็นโทษตามมคุณห่านรูปเสียงกลิ่นรส โธทพะถ้าไปหลงแล้วมันจะเป็นไฟถ้าไม่หลงถ้ารู้ความจริเงเนี่มันก็เยียกเองเพราะว่ามันไม่เป็นกิเลสมันเป็นธรรมรู้ความจริงของรูปรูปก็เป็นรูปเป็นสิ่งที่ประสมรวมกันด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปร่างกายเป็นยิ้มกัตามเป็นชายกาับกลาง ในส่วนนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาการพิมพิจารณารู้รู้ตามความเป็นจริงของธาตุรู้เวทนาตามความเป็นจริงของอาการแห่งความเสวยทางใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเชยเชยรู้ความจริงของสังขารความนึกคิดปุ่งแตกรู้ความจริงของสัญญาความจําได้หมายรู้ รู้ความจริงของความรับรู้รับทราบทางอาญาตนะหกตาหูจมูกริมกายใจรู้ทามความเป็นจริงของแต่ละอย่างเลยก็ <c oughs> ไม่เป็นกิเลสไม่โล่เมื่อไม่โง่ก็ไม่มีความใข่ความพอใจไม่มีความดีใจเสียใจเพราะสิ่งเหล่า น, <c oughs> นี้นั่นจึงจะเหลือแต่ใจคือความรู้แท้แท้แทแท ความรู้เดิมเลิมความรู้ที่เป็นธรรมเรียกว่าธาตุรู้นี่จะรู้จะเข้าใจได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แก่อนุปุปุิสถาทานศีสวรรค์การมาทินนบ สุดท้ายท่านบอกเรื่องของการสลัดในธรรมานิสังสกถาการสละจการมคุณให้สละความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาได้นั่นเป็นความสุขรู้เท่าทันไม่หลงไม่หลงในรูปสวยรูปงามรูปที่ร้ายขี่เลวไม่หลงในเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะ ไม่หลงในกลิ่นห้อจนนมจิเมเน้นจินคพอใจไม่พอใจไม่ล้มในรสชาติแตห่งค ว, วมามสัมผัสตารูจมูกรีมกายใจคือรู้ความจริงทั้งหมดตามเป็นจริงรวมลงเป็นเพียงสภาวธรรมเป็นเพียง ส, ส, ยงสมมติกันหนึ่งเท่านั้นในสิ่งนี้นที่เป็สมมุติเห่านั่นก็เพราะใจของเราที่ไม่มีสติ ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิความมั่นคงที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้แจ้งแจ้งนั่นเองเมื่อไปหลงจะแบดยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความอยากตั้หาอุปาทานก็เป็นความเล่ารอ้อนวุ่นวายของใจต่อไปไม่มีมที่สิ้นสุดเมื่อมาผูกพิสิบัติ ธรรมะดังทิดกล่าวมานี่แหละพวกเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามดังที่กล่าวมานี่มีทานมีศีสํารวมแล้กวก็ทานมากๆทานไปเรื่อยๆสํารวมไปเรื่อยๆสํารวมมากๆก็จะเป็นสมาธิความรวมใจเข้าสู่ ความรู้อันเดียวและก็ทีนิพพิจารณาให้ควรสิ่งใดเกิดขึ้นดูให้รู้เรื่องดูให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอ น, นิจจังทุกขังนัตตาเิดขึ้น ต, นตั้งอยู่และก็ดับไปเจอขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาที่มีเป็นจัวเป็นตนสัตว์บุคคลเพราะความ ไปสมมุติไปบัญญัติของใจของเราเนี่ยไปสมมุติไปบัญญัติของความหลงที่เกิดอยู่กับใจนะี่ที่ท่านใหญ่ว่าอวิชาตันหาหอุปทานเกิดขึ้นในใจเพราะความไม่รู้สร้างความรู้แจ่แจ้งที่ปัญญาเป็นดวงประทีปเป็นแสงไฟส่องใจให้รู้ความจริงเนีรู้ความจริงก็หายสงสัยเราไปในที่มืด เห็นลากไม้หรือเห็นกินไม้ล้วนิวตเป็นโง่เ like กิดความสงสัยขึ้นมาก็เป็นความกังวลถ้าส่องไฟดูให้เห็นแจกแจ้งไม่ใช่โง่ไม่ใช่สัตว์ไล่สัตว์คิดอะไรแล้วก็วางใจใจก็สบายนี่ลงเหมือนกันไม่หลงในขันห้าคือายใจของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ย เป็นกินตามสภาวธรรมสองแจไดสีรอย่างใจของเราก็ว่าว่ากสบายในธรรมโมหะเว ร, รคติธรรมจาริกทำย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่วุว่นวายเดือดร้อนความกังวลต่างๆ ให้ตกกันในความมีโทษนี่คือปฏิบัติต่อทานศีล ส, สมาธิปัญญาศีลทานภาวนานี่อยู่กับตัวเราให้รู้ให้เข้าใจอยู่กับเราอยู่ใกล้ๆเราไม่ได้อยู่ที่อ่ทานขาไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่กับการกระทําทานภายนอกภายใน อยู่กับกายกับใจของเรานี่ยแหละสีอยู่กับกายกับใจของเราสํารวมกายสำรวมวาจาสํารวมใจสมาธิเนื้อสำรวมให้ต่อนเนื่องของมันง่นคงอัญญาก็อยู่ที่ใจของเรามาลอบลู้ให้ควรทนพิจารณาในรูปนามกายใจขันห้าเนื่อ เข้าใจความจริงในตรงนี้ก็ปล่อยก็าวางไดงกงกง้ก็สิ้นกรรมสิ้นกรรมสิ้นทุกข์สิ้นอุปาทานความยึดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเราเข้าใจความจริงที่เราก็มีความสุขอทำใจได้นี่คือว่าพระธรรมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีแต่ความ เยียยเย็ยนเป็นสุขไม่ให้ตกไปนในทุกคติอบายละภูมิไม่ให้ตกไปนในความชั่วในปารกธรรมะในทานกตัฏฐานสรีรติฐ า, านสีภาวนา่ังที่ได้อธิบายมาพอเป็นธรรม ปฏิสังขานเพื่อให้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วน้อกคิดน้อกใจใช้สติปัญญาและรู้ตางให้ควรตางเมื่อเข้าใจความจริงตามเป็นจริงแล้วศีลธรรมก็รวม <c oughs> เข้าสู่จิตสู่ใจของเราใจเป็นธรรมใจเป็นศีลเนี่ยก็อยู่เย็นเป็นสุข จะไปเข้าใจว่าอยู่ที่ดีที่ไกลอยู่ที่ใจศีลธรรมมีใจเป็นฐานที่ตั้งที่เกิดที่มีทุกข์ทั้งหลายกิเลสตาสวามีใจเป็นที่เกิดที่ตั้งเมื่อสลัดทุกข์สลัดกิเลสความรุ่มหลงออกไปได้ด้วยสติสมาธิปัญญา ก็กายเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ทั้งหลายท่านพวงโดยสิ้นเชิงพุทธานาเวนะธัมมานาเวนะสังขานาเวนะด้วยอำนานจะแห่งบุณที่เกิด จ, จากประธรรมโดยระสง์และอันานจประม ธรรมปฏิบ an, mm ัติศียทานภาวนาจงเป็นพระกำลังหมุนนำสติปัญญาให้เกิดให้มีกำลังแก่กล้าภายในรวมคิดดยงใจของพวกเราเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขความเจริญเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เจริญใน ท, ทุกสถานในการทุกเมือ่อจงทุกท่านทุกคนเจริญ